แนะนำบทต่อฮาบทตอฮาเป็นบทมักกิยาะมีหนึ่งอสามสห้าองค์การมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับบทมักกิยาะบทอื่นๆโดยเน้นหนักถึงหลักการศรัทธามัน่นการให้เอกภาพการแต่งตั้งาศาสดาการฟื้นคืนชีพการชุมนุมในวันพระโลกเพื่อรับการตอบแทนบทนี้ได้เล่าเรื่องราวต่างๆธรรมด า, าศาสดาเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอนซูลซอลลัลลอฮฺอะลัยฮิสลลัม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 และชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ลูกหลานของเขาโดยการแต่งตั้งบรรดาศาสนาทุดเพื่อมาแจ้งข่าวดีและกล่าวเตือนประชาชาติของเขาแล้วปล่อยพวกเขาเลือกทางเดินซึ่งมีทั้งดีและชั่วบทนี้ได้เผยให้เห็นถึงปรากฏการณ์ในวันเกียร์มาด้วยสำนวนที่ทำให้จักรวาลสั่นสะเทือนและทำให้จิตใจสั่นสะท้านและขวัญกระเจิดได้เผยเห็นถึงสภาพของวันฟื้นคืนชีพที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งการชำระบาปบุญคุณโทษจะมีขึ้นด้วยความเป็นธรรมบรรดาผู้จงรักภักดีจะเดินเข้าสวนสวรรค์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำไปสู่นรกยานนับทั้งนี้เป็นการยืนยันคำมั่นสัญญาของอัลลอ์ที่จะตอบแทนให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาและลงโทษแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบทนี้จบลงด้วยการชี้แนะจากพระผู้เป็นเจ้าแก่ท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม ให้อดทนต่อการทำร้ายของพวกบูชาจเวิตทั้ทงนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ในทางขอร้องจนกว่าความช่วยเหลือของพระองค์จะมาถึงชื่อของบทนี้คือตอ่อฮาเป็นชื่อของท่านนาบีลลลลสุลต์ลลฮุอะไยฮิวซัลลัมเนื่องเพราะท่านได้รับการต่อต้านและการทำร้ายจากบรรดาพวกบูชาจเวิตดังนั้นบทนี้จึงเริ่มด้วยความเมตตาจากพระองค์ โดยเรียกชื่อของท่านว่าต่อหาด้วยพระนามของลอู้ทสงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอาต่อหาเราไม่ได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าลำบากไม่ เว้นแต่เป็นการตักเตือนแก่ผูย้ยงเกรงเป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงสร้างแผ่นดินและบรรดาชั้นฟ้าอันสูงสมมอาตว่า พรุณาตองค์มีกำมัดสิ์เหนือสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในพันวินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดิน หากเจ้ากล่าวเสียงดังแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งเรียนลับและสิ่งซ่อนเร้น إ إ อลัลลอฮนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์นั้นทรงมีพระนามอันสวยงาม أ ا และเรื่องราวของมูซาได้มีมาถึงเจ้าบ้างไหมอ้วย ร, ร้านระอนแล้ว เ, ال เขาเห็นไฟเขาจึงกล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่า พวกท่านจงหยุดอยู่ที่นี่เพราะฉันเห็นไฟบางทีฉันจะนำคบเพลิงจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือฉันอาจจะพบผู้นำทางที่กองไฟนั้นท่ า, า, านามาเมื่อเข้ามาถึงกองไฟนั้นมีเสียงเรียกขึ้นว่าโอ้มูซาเอ๋ยอนน แท้จริงข้าคือพระผู้พิบาลของเจ้าจงถอดรองเท้าทั้งสองข้างของเจ้าออกแท้จริงเจ้ากำลังอยู่ณหุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์มีชื่อว่าตัวและข้าได้เลือกเจ้าเป็นศาสดา ฉะนั้นเจ้าจงตั้งใจฟังสิ่งที่ถูกเป็นโอกาสอินนีอัลลอฮลาอิลาฮอิลลาอฟะบุดีะอิมิศลตลิิกรีแท้จริงข้าคืออัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากข้าดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าและจงปฏิบัติละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้า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 ฉันใช้ไม้สําหรับย่างและใช้มันตีพุ่มไม้เพื่อเป็นอาหารสําหรับแกะของฉันและฉันจะใช้มันในประโยชน์อื่นๆอีกพระองค์ตรัสว่าจงโยนมันไปสิโอโมซาเอ๋ยเขาจึงโยนมันลงไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นหมูเลยเขาจึงโยนมันลงไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นหูเลย พระอรงค์ตรัสว่าจงจับมันขึ้นมาและอย่ากลัวแล้วเราจะให้มันกลับมาเป็นไม้เท้าตามสภาพก่อนของมันมม اء, และจงเอามือของเจ้าสุกเข้าไปในรักแร้แล้วเอามันออกมา มันจะมีสภาพขาวประกายปราศจากอันตรายใดๆมันเป็นอีกสัญญาณาเพื่อเราจะให้เจ้าเห็นบางส่วนจากสัญญาณต่างๆอันยิ่งใหญ่ของเร า, า, ร า, าจงไปหาฟิรูอูนเพราะเขาได้ละเมิดฝ่าฝืนขบบเขากล่าวว่า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 เป็นผู้ช่วยแก่ฉันฮารูนพี่ชายของฉันได้โปรดให้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ฉันด้วยและเขามีส่วนร่วมในกิจการของฉันด้วย ك ك ك ك เพื่อเราจะได้ถวายความสรุดีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมาย และเราจะได้รำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากมายอนกบบรแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเห็นเรากพระองค์ตรัสว่าแน่นอนเราได้ตามคําขอของเจ้าแล้วโอม้มูซาลัเอ๋ยและโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานแก่เจ้ามาทั้งหนึ่งแล้ว โดยเราได้ดดนใจมารดาของเจ้าถึงสิ่งที่ถูกดนใจอัน ذ ดิ في التبوث ف ق ذ ف ي ه في الیم ف ل ی ل ق ه الیم بالساحل ف ل ي ل ق ه الیم بالساحل يأخذه عدولی وعدوله โดยนางวางเขาลงในหีบแล้วเอาไปปล่อยในแม่น้ำนายแล้วแม่น้ำก็ซัดเขาเข้าไปติดที่ชายฝั่งจากนั้นศัตรูของข้าและศัตรูของเขาก็จะเก็บเอาเข้าไปและข้าก็ให้ความรักจากข้าแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูภายใต้การดูแลของข้า إذ تمشي أختك فتقول هل أدل ك م على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن، و ق َ ت َ ل ت َ نَفْسَ ف َ ن َ ج ي ن ا ك َ مِنَ ا ل غ م ّ و َ ف َ ت َ ن ا ك َ ف ُ ت و ن ا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 แล้วเราจะได้ช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากความหนักใจและเราได้ทดสอบเจ้าด้วยการทดสอบหลายอย่างแล้วเจ้าได้พำนักอยู่กับชาวมัดยันเป็นเวลาหลายปีภายหลังเจ้าได้กลับมาตามกำหนดโอ้มซาเอย๋ย